พระเขาจึงบอกว่าให้อยู่เฉยๆนะถ้าอยากจะพน้นอยู่กับพระต้องหยุดอารมณ์หยุดการยึดถือหยุดเรื่องสมมุติที่เป็นอัตตาชั่วขณะล้วก็จะไปกลายเป็นคนมีบุญมีบรารมีเพราะพวกเรานี่เรียงรายคลายได้ทำจิตกำลังเรียบเรียง เรื่องราวคดีโรคคดีธรรมแล้วเราก็ตัดสินกันด้ยเหตุผลจะอยู่หรือจะไปเหมือ น, น, นคำดินตาอากาศเขาบอกว่าเขาถามพวกเราว่าสีเอย๋ย จะไปหรือไม่ไปเพราะว่าสีที่เราใช้อยู่นั้นนะ่ะมันเป็นสีมหาการคือสีที่ทำให้เราทุกข์เราโศกเรามีโรคมีภยัยต้องมีเวรมีกรรมมีการใช้กรรมมีการสร้างกรรมมีตกทุกข์ได้ยากมีเกิดอยู่ในวกในภูมิ ต่างๆมากมายกาย ก, ก, กองเพราะสีที่เราใช้อยู่นั้นน่ะมันเป็นสีม่วงมันเป็นสีดำมันเป็นสีกม่าสีกมธาเนี่ยก็เรียกว่าสีขี้ข่าแห่งอารมณ์สีม่วงนี่ก็คือสีใช้เวนใช้กรรมสีดำคือใช้อารมณ์กรรมไม่รู้เรื่องรู้ราว เขาจึงถามพวกเราว่าสีเอย๋ยเขาไม่ได้ถามอ่ะชื่อนั่นชื่อนี้อะไรเพราะพวกพืชที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เป็นสีทั้งนั้นถ้าเรามาเจอสีดีเขาเราียกว่าสีแห่งโอภาลตนไตรมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวหรือ สีดีๆอย่างนี้เขาเรีกวสีที่ทำให้พ้นพ้นทุกข์พ้นโศพ้นโลกพ้นภัยพ้นเวรพ้นกรรมพ้นการใช้กรรมพ้นการสะสมกรรมพ้นพ้นพพพ้นภูมิเพราะสีเหลืองประเืิงจิตออกจากอารมณ์สีแดงที่คลายเลยสติสัมปชัญญะสีเขียวคือสีแห่งองค์พระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าประธานแห่งธรรม สีนี้มีแต่สีมีแต่เรื่องของสูงสูงเขาเรียกว่าอริยะอริยะบุคคลพระอริยเจ้าอะไรอย่างนี้บุคคลจะมีศีลมีธรรมก็ต้องต้องอาศัยธรรมะหรือสีของธรรมเป็นหลักเนี่ยพวกเราเหมือนกับกาลังเรียบเรียงตรงก้า ชีวิตเราเกิดมาเพื่อเพื่อปรองนะอยู่ต่อหน้าพระพร์พระพุทธองค์แล้วเขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อปรองนะ่ะท้าพระนี่พระทักท้วงพระให้สติพระชี้แจงเรายังไม่เชื่อพระยังไม่ได้สติยังไม่เกิดเป็นปัญญายังไม่มีเหตุมีผล ภาพกาช่วยไม่ได้ก็เรียกว่าเข้าเข้ามาก่อนแต่ไปนั่งข้างหลังเข้ามาถึงองค์พระแต่ทาไมถึงไปมีเวรมีกรรมไปตกมาลกไปเกิดเป็นสัตว์ไปเป็นมนุษนย์ชอนชัยอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมันเพราะเราไม่เชื่อพระ อาจจะไ ม, ไม่เชื่อว่ากรรมมีจริงและก็ไม่เชื่อว่าธรรมมีจริงทำให้เราเกิดเป็นมิริกิจฉาลังเลสงสัยกรรมมีจริงไหมหรือกรรมไม่มีจริงธรรมมีจริงไหมหรือธรรมไม่มีจริ ง, ร อ, รงอะไรอย่างเงี้ย ลังเลไปลังเลมาลังเลไปลังเลมาเราก็แก่ลงไปแก่ลงไปแล้วเราก็สะสมอารมณ์กรรมเข้าไปมัวแต่ลังเลมัวแต่ลังเลในขณะลังเลก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่เลย ล, ลุกดีลุกลนกันไปตามอารมณ์นี่แหละคนที่สุดตายไปจิตก็ถูกจาแนกโดยผลกรรมที่สะสม มันเป็นอย่างนั้นบอกว่าถึงหน้าพระแล้วก็ต้องเรียบเรียงให้ถูกหลัก mm hmm. ก, ก, ก็เห็นกันชัดๆนะ่ะกายนี้ของเราไหมเนี่ยถ้าเป็นของเราเราก็คงบังคับกายได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็บังคับกันไม่ได้อีก เมื่ออะไรบังคับไม่ได้คราก็อาศัยอยู่หรือปัจจัยสี่ที่พักอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคของเราไหมก็ไม่ใช่ของเราอีกก็อาศัยอยู่หรือธาตุสี่หรือดินน้ำลมไฟอาก า, าศธาตุวิญญาณธาตุ คือธาตุทั้งหกเนี่เขาเรียกว่าอนุธาตุคือธาตุน้อยๆที่ประชุมกันเป็นกายเป็นลูกที่เราเห็นก็ไม่ใช่ของเราอีกเขาประชุมกันไว้ชั่วงหนาถึงเวลาเขาก็ปลกักพล่ากจากกันไปน้ำกับส่ น, น้ําดินกับส่วนดินลมกับส่วนลมไฟกับส่วนไฟอากาศจ้าธาตุที่อาศัยให้ใจเข้าให้ใจออกเขาก็ไป จิญญาณคือตาหูจมูกลิ้นหรือธาตุเขาก็ไปตามเรื่องตามราวเขามันก็ของอาศัยิ่งแต่ี่ไอตัวสำคัญคือตัวอารมณ์ที่เ็าเรียกว่าสราระยะของโลกที่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตกเป็นธาตุของเขาหรือต้องใช้เรื่องของเขา นั่นก็คือโลกโกรดหลงซึ่งเกิดขึ้นจากรกษณะเราชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจ เ, เรารู้ไม่เท่าทันเราก็ไปยึดต่เป็นอารมณ์ของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเราด้วยอารมณ์ต่างๆ แต่นี้ถ้าเรามาหยุดจิตอยู่ในองค์ภาวนาพุโทโธสักนิดหนึ่งอารมณ์ต่ตางๆนั้นก็อันตรฐานหายไปเราจะสังเกตเห็นจิตที่นิ่งไม่มีโลกมีโกรธมีหลงไม่มีความท่เยอทะยานไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีความอยากได้อยากเป็นอยากไปต่างๆเราก็เห็นกันชัดๆวาสิ่งนี้ก็ แขงอยู่ข้างจิตเขาเรียกาอารมณ์ใต้จิตสำนึกคือเรานึกเมื่อไรมันก็เกิดแต่ถ้าเราไม่นึกมันก็ไม่เกิดเนี่ยอารมณ์ใต้จิตสำนึกถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาษาปัจจุบันที่ชอบพูดเขาเรียกว่ากิเลสนอนเรื่องคือมันนอนอยู่ ข้างๆจิตเราอะไรถ้าเรียกมันก็ม้าถ้ามมันไ่เรียกเราไม่เรียกมันก็ไม่ม้านี่เราก็จะเห็นกันเรื่องๆว่าเราอาศัยจุดถังนั้นมันไม่ใช่ของเราปรองกันให้มันให้มันถึงเมื่อเราปรองถึงก็ไปต่อไปลังเลสงสัยเมื่อไม่ลังเลสงสัย กราทำในสิ่งที่เรามีความมั่นใจนั่นก็คือบุญบา ร, รมีเกิดเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนมีบุญในลดละนิสัยได้ปล่อยวางอัตตาทั้งหลายนี่เขาเรียกคนมีบา ร, รมีเห็ไหมคนไม่หลังเล ส, สงสัยก็จะได้อย่างนี้คือได้บุญไปได้บา ร, รมีกันไปอย่างนี้ คือบอกว่าเราเนี่กําลังกําลังเรียบเรียงเรียงลายคลา้ายได้ทำแต่ไม่ใช่ว่าจะมีความเป็นธรรมเสมอไปถ้าเกิดขึ้นจากจิตของเรามันมีอะไรต่ออะไรอสอดแทรกบางครั้งก็เรื่องโลกบางครั้งก็เรื่องธรรมเดี๋ยวเรื่องธรรมเดี๋ยวเรื่องโลกเดี๋ยวเรื่อ ง, งโลกเดี๋ยวเรื่องธรรมอะไรนะ่ยมันมันเหมือนกับ แทรกกันไปแทกกันมามือซ้ายมือขวาผัดกันยืนอะไรอย่างเนี้ยมันจึเรียกว่าเดี๋ยวนึกถึงโลกเดี๋ยวนึกถึงธรรมเดี๋ยวนึกเดี๋ยวมีกรรมเดี๋ยวมีธรรมอะไรอย่างเนี้ยมันจึงบอกว่าเรียบเรียงคล้ายคล้ายคล้ายคนได้ทำก็ เรียบเลียงซักในขณะที่ยังมีลมอย่าเห็นตนเองดีแล้วอย่าคิดว่าแค่นี้พอแล้วก็หยุดหยุดเรียบเรียงเราเป็นเป็นผู้ขอนิสัยจิตในน้อยที่กำลังถูกสงเคราะห์ โดยคุณธรรมหรือว่าสองข้อโด้วยคุณธรรมของพระพุทธองค์พุทธองค์นี้เขาเรียกว่าท่านมีธรรมใหญ่ธรรมที่เหนือสามโลกจกกักรวาลเขาเรียกว่าธรรมใหญ่ธรรมอัลลหัน อะไรไม่ใหญ่เท่ากับธรรมอัลหันแล้วของอะไรก็ไม่สูงเท่ากับเท่ากับคุณธรรมพระอรหันเราเองเราก็ไม่ใช่พระอรลหันเรากำลังจะถูกสงเคราะห์ทั้งทางกายทางจิตก็เรียกเรียงซะ ใ ห, ให้เกิดเป็นประโยชน์จะเรียกว่าผู้ปฏิบัติกำลังนั่งอยู่โดงบนหอศิษย์ตังคือกาลังที่จะพยายามที่จะนำชีวิตของเรานี้ สู่คุณธรรมให้ได้ด้วยการบอกทางด้วยการส่งเคราะห์ในคุณธรรมของพระพุทธองค์พูดถึงถึงทางสมัยหนึ่งเคยนั่งสมาธิเห็นเป็นลักษณะ ขนทางแก้วที่ชันมากขนทางปูด้วยแก้วเห็นมนุษย์มากมายกายกองกังตะเกียกตะกายขึ้นบางคนก็ขึ้นไปได้นิดนึงไหลลงไปอีก บางคนก็ขึ้นไปได้มากหน่อยเอาไหลลงไปอีกเขาเรียกว่าบุญบารมียังยังไม่ถึงก็ไหลกลับเพราะทางเส้นนี้นี่เป็นทางที่ที่ยากหรือแสนยากแสนเย็นที่คนเราจะขึ้นง่ายมัมเหมือนทางนรกทางสัตว์ทางมนุษย์ทางเทวะอินพรมทางทั้งนี้ขึ้นง่าย มีบุญหน่อยนึงก็ขึ้นแล้วมนุษย์เป็นเทวะเป็นอินพรมไปแล้วมีกรรมหน่อยก็ตกนรกเกิดเป็นสัตว์ไปแล้วทางง่ายๆแต่ทางที่จะหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นทางทางแก้วทางของคนมีบรารมีชั้นสูงมันจะเป็นลักษณะเหมือน ยังไงดีจะเปรียบเทียบยังไงเหมือนกระดอ่ะกระดาษผ้าต้นมะพร้าว่าเนี้ยคนไม่มีบุญบา ร, รมีพอจะทันอยู่งั้นเนี่ยไม่มีกำลังจะตายขึ้นแต่ถ้าคนบา ร, รมีบา ร, รมีแล้วานนี่จะน้อมลงมารับขึ้นแบบสบายสบาย บอกว่าโลกุตาละไม่ใช่ของเล่นถ้าไม่จำเป็นคงไม่เกิดมาทักทวงเหมือนอย่างพุทธองค์ท่านส่งรัสมีลงมาอย่างเนี้ยนะบนวัจักรีทุกข้องฟ้าคือจิตของมนุษย์ก็ดีที่มีศีลธรรม ที่เรานั่งปรารถนากันเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอุบลวัาจากสีขอให้เมนิไรทมขอให้พบธรรมขอให้จิตเป็นธรรมหรือว่าพวกเทวะอินพรมทั้งหลายในอ่อนวอนอ ร, รัตนาขอให้ธรรมเกิดขึ้นภายในกระแสจิตจะได้เป็นสติสัมปทานัญญ์ พระพุทธองค์ท่านก็อส่งรัศมีเป็นลักษณะสีเหลืองสีแดงสีเขียวแปลตัวอักษรมาว่าดอกพิกุลโปรย ป, ปรระปาตุมหัตหรือไยวันทันหัสสนีแล้วก็ชี้ลงสู่พื้นดินชี้ลงสู่รูปน้ำทั้งหลายใครมีนิสัย ก็จะรู้จักทำหลุดพ้นและกระําที่ทำให้เราอยู่เขาเรียกว่าผู้ไหญก็คือโลอุตละนั่นเอ ง, เองท่านหัต ส, สนีนี่หมายว่ามาจิตของผู้รู้จักเรียบเรียงเหตุและผลในเรื่องโลกในเรื่องธรรมถ้าจิตองค์จิตคนไหนไม่ถึงท่านหัต ส, สนี คนนั้นก็เรียบเรียงเหตุผลไม่ถูกต้องเรียกว่าจิตสายฟ้าจิตที่ฝากการกระทำไว้กับดินฟ้าอากาศบาาหมายก่กยกองสมควรแล้วที่จะได้รับเหตุผลแห่งสัจธรรมเขาก็จะมีทรรเกิดขึ้นในใจเองคิดบอกว่า โลคุตระมาในสิ่งที่จำเป็นหมื่นคนแสนคนก็ไม่เห็นทมของผู้นั้นเหมือนอย่างพระเนไม่ชี้ญาติโยมนั่งเนี่ยทำเขาเกิดขึ้นในใจใครใครจะเห็น<ว>นอกจากคนนั้นเ<ว>ท่านั้นเนี่<ว>ที่เขาเรียกว่าปัจจตังรู้จตพะตนแต่นี่ถ้าเกิดมาในสิ่งที่ไม่จำเป็น อย่างเช่นเรามานั่งปฏิบัติทำกันหรืออย่างอย่างหลวอาบานั่งบรรยายนทำเนี่ยก็เห็นกันหมดคนน้อนก็นั่งคนนี้ก็นั่งคนนั้นก็ยืนคนนี้ก็ยืนคนนั้นก็เดินคนนี้ก็เดินคนนั่นบรรยายนทำคนนี้บรรยายนทำเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างไม่จําเป็นของอะไรที่ไม่จําเป็นคือเห็นไปทั่วเหมือนอย่างพระพุทธลูกเปกิดเมืองไทย มีความจำเป็นแก่ใครไหมพระพุทธลกูกพอเห็นกันทุกคนเลยบางคนก็ไม่เห็นความเป็นเป็ น, ปนของพระพุทธเขาก็มองพระพุทธแบบเฉยๆแต่ท่านิสัยของพระพุทธเกิดขึ้นในติคุณนั้นคนนั้นก็จะเห็นความสาคัญของพระพุทธเขาเรียวกว่าปฏิบัตต่าง คือคุณโปรยฝ่าปะาะคมหัตถ์ไทยวันชั้นหัดถศรีหรือต้องมีจิตที่ได้รับการส่งเสริมจากอดีตชาติหรือในอันนี้อระชาติในการสะสมบุญเวรมีสมศรนมาเมื่อมาสัมผัสคำโลภิศระแล้วก็จะมีสติมีสัมปัญญะ รู้จักปรักตรงรู้จักแก้ไขรู้จักเปลี่ยนนิสัยจากไม่ดีเป็นดีจากโลกเป็นธรรมจากคนไหนไม่มีนิสัยหรือนหรือว่านิสัยน้อยนิสัยยังเป็นแค่อะไรอะ่ะ แค่เรแค่พ้อยยังไม่ถึงกับแสงพัดจันแสงอาทิตย์อะไรอย่างงี้นะก็ไม่ค่อยจะรับรู้รับแจ้งเท่าไหร่เหมือนอย่างที่ท่านบอกทุกรูปทุกนามตกอยู่ในปริยัติอริยสัจสี่คือสกรพสัตว์ทั้งหลาย ในสามโลกจักรวาลเนี่ยทุกรูปทุกนามทั้งที่เป็นรูปธรรมก็ดีทั้งที่เป็นนามธรรมาก็ดีก็มีอริยสัะมีอริยสัจสี่ทุกรูปทุกนามแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยเท่านั้นอริยสัจสี่ก็หมายถึงมีทุกมีสาเหตุแห่งความทุก ถึงเขาเรียกว่าลบกดหลงตงัวนี้มีหนทางการดับทุกมีหนทางการพ้นทุกก็มีสะสมไว้ในในใจของของแต่ละดวงจิตทุกคนแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยแห่งการสะสมให้แก่ชีวิตของตนในแต่ละชาติแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละชีวิตที่เกิดมา แต่ทำได้มากใบน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเหมือนกับเราอย่างนี้ในช่วงเวลาที่เราเกิดมาชาตินี้สังขารที่เราอาศัยไม่เกินแปดสิบปีร้อยปีถึงเขาเรียกว่าสังขารแย่งการคำนวณแปดสิบปีร้อยปีนี้แก่แย่แล้วกำลังวังชายแย่แล้ววิญญาณแย่แล้วธาตุสี่แย่แล้ว เพื่อนอาศัยทั้งหลายนี่ล่อยหลอทุดโทมอนี้ในชีวิตที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เรียบเรียงหรือว่าใน ส, สนนะสมอริยสัจสี่ให้แก่ชีวิตของตดแนแค่ไหนบางคนก็สะสมแค่สายตาก็มีบางคนก็สะสมแค่แขงกายเช่นกราบพระเฉยหรือบางทีก็เห็นชาติยกมือไหว บางทีบางทีก็ไม่ได้ยกมือไหว้เห็นล้าก็ตาดูเฉยบางทีก็ฟังทำอยู่เฉยแต่ไม่ได้ทำตามทำล้วนแล้วแต่สะสมไว้ในแต่ล ะ, ะแขนงทั้งนั้นเลยบางคนรู้แล้วไม่ทำคือฟังฟังได้ยินรู้ไม่ทำก็มี เพรนั้นเรื่องการสะสมเป็นเรื่องของละเอียดอ่อนไม่สามารถจะบรรยายให้รายละเอียดตรงนี้ได้เรื่องเรื่องการสะสมทางทางคุณธรรมหรือทางอริยสัจสี่อะไรอย่างนี้นะก็ฝากไว้กับดินฟ้าอากาศเขาจะเป็นผู้รับรู้เองดินน้ำลมไฟอากาศาธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเขาจะเป็นผู้บันทึก เหมือนอย่างเจ้าท่านบอกว่าธรณีนี้มีพระคุณลินฟ้าอากาศเป็นสันตโ ล, โลโลโพผาด พ, พิงถอดปลอกอสงไข่ลินฟ้าอากาศเป็นเชื้อชาติวิหัสไนผู้ใดจะถอดอสงไขยจะเป็นพยานจะถอดหรือไม่ถอดก็เป็นพยานจะทํากรรมหรือจะสร้างคุณธรรมก็จะเป็นพยาน หรือจะถอดทิ้งไปก็เป็นพยาธคือธาตุสีกันห้าวิญญาณของเราแหละจะเป็นผู้กำหนดกรรมดีกรรมชั่วคุณธรรมทั้งหลายแหล่เขาจะเป็นผู้กำหนดต่อไปในอนาคตของชีวิตจะเกิดดีเกิดร้ายจะได้ดบได้ดียังไงจะสูงจะต่มแค่ไหน เขาก็จะเป็นพยานและจะมีการที่คลายหรือเขาเรียกว่าจำแนกไปไปตามลักษณะขันทะยังคือขันของตนเองนเนี่ยคำเนี่ยขันที่อัดทยังขันที่สับทยังขันที่อัดทยันนี่หมายถึงลักษณะสะสมเข้าไว้รับรู้หมด ขันธ์ที่อัดพยังขันธสัตหมายถึงอริยสัตสี 4. ในชีวิตของผู้นั้นมีการสะสมไว้อย่างไรขันธิสั ต, สตยังขันธสมบัติคืออริยสัตสี 4, ทั้งหลายแหละที่เป็นคุณสมบัติทั้งคุณและโทษข้าแต่กันแนก ไปตามลักษณะอีกทีดึงพูดถึงขันันที่อัธทยังขันที่สัตย์่ยังเป็นภาษาปรมัติ์ถ้าใครถ้าใครสามารถเข้าถึงขันที่อัธทยัง คือกระแสจิตเขาก็จะถอดจะถอดให้ดูเลยชีวิตอดีตอสงไขยชาติเหมือนถ้าคนนั้นได้ญาณที่ปรปตักสุญาณโสตะญาณคือหมายถึงตาทิพหูทิพเพนิวาส า, านุสติญาณคือญาณระลึกชาติได้ อยูตูปรารตยานยานรู้จักเกิดจากตายรู้จักเกิดจากดับรู้จักเกิดจากจุตติไปถึงขนาดนิพพิทายานคือยานที่ทําให้เกิดเป็นลักษณะความเบื่อหน่ายอินฟากาศเขาจะถอดยิ่งถอดไปเท่าไรเราก็ยิ่งจะมีปัญญาเรายิ่งจะมองเห็นโลกหนักข้าหนักเข้าไอ้โลกที่ว่าเราน่าอยู่หน้าอาศัยนี่ กับกลายเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญสำหรับจิตตรงนี้อีกแล้วคือมันเล็กเกินไปสำหรับสาหรับจิตตรงนี้จะอยู่เล็กเกินไปสำหรับจิตตรงนี้จะพึ่งผ่านไปถึงขยายจิตออกไปสู่คำว่าอมตัป พริพานเรื่องราวของพระอรหันต์ท่านเพงพูดเป็นปรมัิให้เราให้เราฟังหรือหรือหรือเคยชินกันตอนแ้กก็ไม่รูนะ้คือฟังกันจนจนจนเคยชินจนไม่จนไม่นึกหรือว่าเกิดสำนึกอะไรคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงลำเพยขึ้นหรือทรงลำพึงขึ้นในธรรมกลางขณะจิต ที่บรรลุเป็นองค์พระอรหันต์เรียกว่ากัสทะลุโดยชอบเอง ท, ท่านก็นลำพึงขึ้นมาว่าสุขอะไรที่ใหญ่ยิ่งสุขความจริงคือจิตพ้นจากอารมณ์และตัวกระทั่งท่านไม่ได้เคยบอกว่าสุขที่เราเกิดเป็นมนุษย์สุขที่เราเกิด เ, เ, เ, เป็นลูกกษัตริย์สุขที่เราได้เป็นเทวดาเป็นอินเป็นสมไม่ได้พวดอย่างนั้น พ้นไปสุขอะไรที่อธินไปได้นะ่คือความสุขที่ใหญ่จริงจิตอะไรที่สามารถละความยึดถืออะไรได้นะ่ะคือจิตที่รู้จักความจริงเช่นเราเลิกไหวจะพ่อเจ้าแม่ยึดถือเรื่องร่างของขังคนทรงคนบ้าคนบอ ก, กันมาอย่างนี้นะ หรือว่าเลิกพึ่ถือเทวาดาอินพรมอะไรทันอย่างเนี้ยกายังไม่เพียงพอหรอกนั่นเป็นส่วนหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งกันนะซึ่งเราจะต้องมีการละวางเรื่องราวของกลิ่นใกล้ใกล้ติดเราด้วยเช่นกายอารมณ์อย่างนี้ปัจจัยสี่เกี่ยวข้องกันอย่างนี้ตัวเห็นแก่กินแก่นอนอย่างนี้ ตัวตัวที่ทำให้เรามีความสุขเกิดเพลินเจริญใจยอยู่ในกามคุณทั้งหลายอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะรละนกมาแลว้วกจริงแต่ข้างม น, นยังมีอยู่ของละอีกนกว่าก็จิตดวงไหนจิตของผู้ใดมีการละวางได้เท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น เพราะว่าจิตที่ดีสมัยถึงว่าจิตดวงนั้นกำลังจะเป็นอิสระขึ้นเป็นจิตของตนเองขึ้นไม่ตกเป็นทาาของใครแม้แต่กายของตนก็ไม่ตกเป็นทาาแม้แต่อารมณ์ของตนก็ไม่ตกเป็นทาาเพราะว่าเรายังยึดถือกายถือถืออารมณ์นี้เขาเลยยังเป็นถาสีถาสายัยงเป็นผู้รับใช้กาย รับใช้อารมณ์ขณะที่เรายึดถือกายยึดถืออารมณ์อาจจะเป็นยัตโคนโยยักคินีคือจะใจร้ายขึ้นโอดเทียมขึ้นทารุนขึ้นตกตีขึ้นขาดฟันเบียดเบียนขึ้นสตลพัทที่เราท่านเดียวจะเห็นหรือเราอาจจะเราเราอาจจะเคยทำมาแล้วก็ได้ เต็นตบตีพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดายาสนิษมิตรหายไม่พอใจพรักพวกพวนฟู้งอะไรอย่างนี้นะน่ละยักษ์โคนยักษินีคือจิตใจมันร้ายเป็นยักษ์ถึงบอกว่ายิ่งวางเท่าไหร่ยิ่งได้ดีอะไร จริงเดียวสะสมมากเ่าไหลยิ่งจะมีความทุกข์สาหัสมากแค่นั้นนั้นถึงเวลาที่เราจะเรียบเรียงแล้วสังขารก็อานวย